ลักษณะอย่างเนี้เราอาจจะกลบเกลื่อนอความเก่าข้าคข่าหรือความเปลี่ยนแปลงไปให้เห็นเป็นความสวยงามอยู่ตลอดเวลาแต่ข้อเท็จจริงนั้นก็คงจะต้องประกาศออกมาให้ปรากฏว่าความจริงเป็นอยู่อย่างนี้นอกจากความไม่เที่ยงแล้วก็ถึงความทุกข์ความเป็นทุกข์นี้มีอยู่ประจําสังขารแต่เรามับจะมองไม่เห็นความทุกข์ เพราะว่าจิตของเราเนี่ยไปสนใจในเรื่องของความสุขในสังขารกันมากเราก็เลยมองไม่เห็นว่าสังขารเนี่ยจะเป็นทุกข์อย่างไรแต่ความจริงแล้วเป็นทุกข์เลิอเกินเป็นทุกข์ตั้งแต่เกิดแล้วจนกระทั่งขนาดที่มีชีวิตอยู่นี้ก็ยังคงเป็นทุกข์อยู่เรายังประสบต่อความทุกข์ร้อยแปดทันอย่างที่เรากำลังประสบกันอยู่ในปัจจุบันนี้หิวก็เป็นทุกข์กระหายก็เป็นทุกข์ นั่งนานๆก็ปวดเมื่อยยืนนานๆก็ปเปื่อยมวยอะไรเหล่านี้เป็นภาระอยู่ที่เราจะต้องบริหารอยู่เสมออันนี้เป็นทุกประจําสังขารที่มีอยู่นอกจากนี้แล้วก็ความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์เศร้าโศกต่างๆเหล่านี้ก็เกิดขึ้นอยู่เป็นประจําอย่างนี้เป็นเป็นทุกประจําสังขารของเราซึ่งมันก็อยู่มีอยู่เช่นนี้ ความเป็นอนัตตาคือความไม่มีแก่นสารสาระอันใดที่เราจะไปยึดถือมันก็มีปรากฏอยู่เพราะเราจะยึดถืออะไรเป็นแก่นสารในตัวเราสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ถืออะไรไม่ได้เลยเพราะว่าทุกอย่างนั้นมันไม่มีแก่นสารตัวสังขารของเราเองเนี่ยไม่มีแก่นสารอะไรคือจะไปถือว่าเป็นตัวตนนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา และก็ไม่อยู่ภายใต้าการบังคับบัญชาของเราด้วยบังคับอย่างไรอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ก็จะต้องเป็นไปตามสภาพของสังขารอย่างนั้นเนี่ยลักษณะเช่นนี้มีอยู่ประจําสังขารทั้งหลายที่เป็นสังคตธรรมแต่ว่าความยึดมั่นฝังลึกอยู่ภายในจิตของเรานี้เรามักจะเห็นว่าสังขารเป็นของเที่ยง ของที่เนื่องกับสังขาร น, นั้นก็เป็นของเที่ยงเรามักจะยึดถือว่าสังขาเรเหล่านี้เป็นอัตตาเป็นตัวตน เ, เป็นตัวของเราแล้วก็ยึดมั่นว่าเป็นสุขอย่างยิ่งเราก็เลยสแสวงหาความสุขกันในสังขาร น, นี้ฉะนั้นผู้ที่สแสวงหาความสุขกันในสังขาร น, นั้นจึงไม่ได้รับความสุขที่แท้จริงแต่ถ้าสแสวงหาความสุขแห่ง สังขาราวิมุตต์อันเป็นส่วนนิพพานแล้วนั่นแหละเราจรึงจะพบความสุขที่แท้จริงคือสิ่งที่พ้นไปจากสังขารความสุขอะไรที่มีอยู่ในสังขารเนี่ยเราจะไม่ได้พบเลยแม้แต่น้อยท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่ามีส่วนใดบ้างที่จะทําให้ท่านเนี่ยเป็นสุขในสังขารของเราให้พิจารณาตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ พิจารณาทุกส่วนเหล่านี้มีส่วนใดบ้างที่ให้ความสุขในชีวิตนี้จากตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะเห็นได้ว่าไม่มีส่วนใดที่ให้ความสุขแก่เราได้เรามีตาทั้งสองข้างก็ไม่ใช่หมายความว่าตานั้นจะทำให้เกิดความสุขเสมอไปถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้ตาให้ถูกแล้วยิ่งจะเกิดทุกข์มากขึ้นบางคนจิตขุนมัวตั้งแต่ลืมตาขึ้นมา ตอนเช้าจิตก็ขุูนมัวแนละเพราะว่าไปเห็นในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ยึดถือเอาความไม่ดีนั้นมาคิดมาใส่ใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นแต่ถ้าหากว่าผู้นั้นได้ใช้สายตาไปในทางที่ดีคือพยายามมองสิ่งที่เป็นมงคลตอนเช้าๆได้เห็นพระสงฆ์องค์เจ้าวินศบาทบ้างหรือได้เห็นพระพุทธรูปบูชาที่บ้านบ้างเห็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองบ้าง ถ้าหากว่าเราใช้สายตาไปอย่างนี้ก็เกิดประโยชน์ทำให้เกิดความสุขใจหูก็เหมือนกันจมูกก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันและกายก็เหมือนกันอยู่ที่การรู้จักใช้ถ้าเราใช้ถูกก็เกิดความสุขถ้าใช้ผิดก็เกิดความทุกข์เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพิจารณากันในสังขารที่แท้จริงในปัจจุบันนี้แล้ว มีส่วนที่จะให้เกิดความสุขยากอย่างยิ่งเพราะทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่เป็นรูปเป็นนามซึ่งเป็นที่ตั้งของทุกทั้งนั้นตาก็เป็นที่ตั้งของทุกหลายหลายอย่างหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นที่ตั้งของทุกหลายหลายอย่างด้วยเหตุนี้ถ้าเราได้ค้นคว้าหาข้อเท็จจริงจริงๆแล้วเราก็จะไม่พบความสุขในชีวิตนี้หรือในร่างกายของเรานี้ แต่ความสุขอันนี้มีอยู่คือการที่เราถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ได้นั่นแหละเราจึงจะเป็นสุขถ้าเมื่อใดยังเกาะแน่นอยู่ในสังขารทั้งหลายเหล่านี้แล้วลราก็ไม่มีทางที่เราจะพบความสุขได้เลยต่อเมื่อใ ด, เ ร, ดเราได้สละความยึดมั่นถือมั่นในสังขารเหล่านี้คือบรรเทาอุปาทานลงได้นั่นแหละเราก็จะได้พบความสุขที่แท้ในเพราะฉะนั้นกา ร, รปลดปลื้งจิตนี้ จึงมีภาระอยู่สามอย่างว่าการจะปลดเปลื้องจิตให้พ้นไปจากนิจจสัญญานั้นเราจะปลดเปลื้องกันได้อย่างไรเราจะปลดเปลื้องจิตให้พ้นไปจากสุขสัญญาเนี่ยได้อย่างไรเราจะปลดเปลื้องจิตให้พ้นไปจากอัตตสัญญาเนี่ยได้อย่างไรในวิสุทธิมรรคนี้พระรตถาจารย์ท่านได้อธิบายว่าเราจะปลดเปลื้องจิตไปจาก นิจจสัญญาได้ต้องอาศัยการเจริญอ น, นิจจานุปัสสนาอนิจจานุปัสสนาในที่นี้ก็คือเราจะต้องหมั่นพิจารณาสังขารทั้งหลายเหล่านี้ให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเห็นเป็นของไม่เที่ยงอ น, นิจจสัญญาก็ปรากฏเมื่ออนิจจสัญญาปรากฏเราก็ปลดเรื่องจิตให้พ้นไปจากนิจจสัญญาได้คือเมื่อเห็นแจ้งว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแล้วเนี่ย เราก็ปลดเปรื่องความเห็นผิดประเที่ยงได้การจะปลดเปรื่องจิตให้พ้นไปจากสุขสัญญาก็ต้องอาศัยการเจริญทุกขานุปัสนาคือมันพิจารณานามรูปว่าเป็นทุกข์พิจารณาให้เห็นความทุกข์ในานามรูปเมื่อเราพิจารณาเห็นทุกข์ในานามรูปแล้วสุขสัญญาก็ปรากฏทุกขะสัญญาก็ปรากฏ เมื่อทุกขสัญญาตากฏเราก็สามารถกดเครื่องจิตให้หลุดพ้นไปจากสุขสัญญาได้ความสาคัญผิดคิดว่าชีวิตนี้เป็นสุขนั้นก็จะหมดไปเราจะเห็นความทุกข์ต่างๆในนามรูปเนี่ยมากมายแต่วิธีกดเครื่องจิตให้พ้นไปจากสุขสัญญากขต้องอาศัยทุกขานุปัสนาการจะกดเครื่องจิตให้หลุดพ้นไปจากนิจอัตสัญญาได้นั้นก็ต้องอาศัยการเจริญอ น, อนุตานุปัสนา เพราะการเจริญอนุปนันตานัตตาอนุปัฏา น, นั้นจะทำให้เราเกิดความรู้เกิดความเข้าใจว่านามรูปนี้ไม่ใช่อัตตาหรือไม่ใช่เป็นแก่นสารอันหนึ่งอันใดที่เราจะไปยึดถือด้วยความเป็นอัตตาเพราะว่าไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเราเนี่ยประการหนึ่งหาความเป็นอัตตาตัวตนไม่ได้ประการหนึ่ง ไม่มีแก่นสารอันใดที่เราจะไปยึดถือได้นี่ยประการหนึ่งอนัตตาสัญญาเหล่านี้ก็ปรากฏเี่ยเพราะฉะนั้น เ, เราจะต้องอาศัยการเจริญอนัตตานุปสนาเหล่านี้มาเป็นเครื่องปลดเครื่องจิตให้พ้นไปจากอัตตสัญญาในวิสุทธิมัทนี้ท่านให้เราปฏิบัติต่อไปอีกว่า ยังความเพลิดเพลินต่างๆเนี่ยเราจะปลดเปลื้อนให้หมดไปได้อย่างไรเพราะความเพลิดเพลินนี้นับว่าเป็นเหตุสําคัญที่ทําให้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยเป็นอยู่ด้วยความประมาทโพรโดยปกติแล้วในชีวิตของเราเนี่ยต้องหาความเพลิดเพลินอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นความเพลิดเพลินในชีวิตของเราแต่ว่าสิ่งที่เราสแสวงหาเพื่อความเพลิดเพลินนั้นจะเกิดโทษหรือเกิดคุณแก่ชีวิตแน่ ผู้ที่นัดเพื่อนฝูงเล่นไพ่ทุกๆวันก็มักจะให้เหตุผลว่าการเล่นไพ่นั้นทําให้เพลดดพิดเพลินดีผู้ที่จะต้องไปดูภาพยนตร์ทุกๆโปรแกรมไม่ขาดก็ให้เหตุผลว่าเพลดดพิดเพลินดีผู้ที่ฟังเพลงก็บอกว่าการฟังเพลงฟังดนตรีนั้นเพลดดิดเพลินดีเช่นไ ป, ปรับประทานอาหารด้วยฟังเพลง ด, ด้วยก็ทําให้เพลิดเพลินดี พวกที่เล่นกล้วยไม้ก็บอกว่าเล่นกล้วยไม้เนี่ยเพลิดเพลินดีพวกที่เลี้ยงนกเขาก็บอกฟังเสียงนกเขาขันเพลิดเพลินดีทุกคนก็แสวงหาความเพลิดเพลินทั้งนั้นแต่ว่าความเพลิดเพลินเนี่ยมันจะเกิดโทษหรือเกิดคุณอย่างไรเราก็จะต้องพิจารณากันว่าความเพลินเช่นนี้ยมันทําให้เรานี่เกิดโทษหรือเกิดคุณอย่างไรบ้างเพราะว่าความเพลิดเพลินบางอย่าง เกิดโทษคือทำให้คนตั้งตนอยู่ในความประมาทเพราะเราไม่ได้คำนึงถึงสิ่งอื่นพอเพลินแล้วก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างหมดลืมวันลืมคืนลืมบ้านลืมช่องลืมหน้าที่ต่างๆเพราะความเพลินเข้าครอบงมแล้วก็ลืมเวลาล่วงเลยไปเท่าไหร่ก็ลืมดังที่เราพูดกันบ่อยๆแมมคุยกันเสี้ยเพลินหมดไปแล้วตั้งหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้หรือแมเล่นไพ่กันเพลินสว่างเมื่อไรก็ไม่รู้หรือไปทาอะไรเพลินขึ้นมา เราก็มักจะประสบกับสิ่งต่างๆด้วยความไม่รู้ตัวทั้งนี้ก็เพราะว่าการเวลานั้นไม่ยอมเพลินกับใครใครจะทำหรือไม่ทำก็ตามฉันก็จะเดินอยู่ตลอดเวลาไม่คอยใครฉะนั้นการเวลานียถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาแล้วเราก็ไม่เห็นว่าเวลานั้นสำคัญอย่างไรเพราะเวลาเนี่ยเรานับเวลาของชีวิตที่อยู่ในโลกด้วยปี เรามักจะคิดกันว่าเวลานี้เราอายุเท่านี้ปีแล้วยังอยู่อีกหลายปีนะักกว่าเราจะตายจากโลกมนุษย์ไปกว่าจะสิ้นอายุไขัเราไปคิดเป็นปีพอพูดเป็นปีแล้วเราจะเห็นว่าแหมมันนานเหลือเกินแต่ถ้าเราพิจารณากันให้ละเอียดลึกซึ้งลงไปว่าเราไม่พิจารณาปีละแต่เราจะพิจารณาเป็นเดือนวันในชีวิตของเราเนี่ยจะมีเวลาอยู่ในโลกนี้อีกกี่เดือนพอคิดเดือนเสร็จแล้วก็มาคิดเป็นสัปดาห์ ว่าเวลาที่อยู่ในโลกนี้กี่สัปดาห์พอถึงสัปดาห์แล้วก็คิดเป็นวันว่าเราจะอยู่ในโลกนี้อีกกี่วันพอคิดวันแล้วก็มาคิดเป็นชั่วโมงว่าเรามีชีวิตจะมีเวลาอยู่ในโลกนี้อีกกี่ชั่วโมงไปถึงนาทีไปถึงวินาทีเราจะเห็นว่าแม้เวลาน้อยเหลือเกินเนี่ยเวลาเนี่ยเพียงคิดเอาจำนวนวันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเวลาน้อยมาก สิบปีก็สามรอ้อยสามพันกว่าวันเท่านั้นเองท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ปัจจุบันเนี่ยหกสิบห้าปีแล้วสมมุติว่าเราจะตายเอาเจ็ดสิบห้าซึ่งเป็นอายุไขที่เราถัวเฉลี่ยทั่วไปในปัจจุบันเวลาอยู่ในโลกก็สิบปีแต่พอพูดเป็นปีแล้วมันมากเหลือเกินพูดเป็นเดือนก็ยังมาก แต่ถ้าพูดเป็นวันแล้วเหลือเวลาอีก 3,500 หรือ600้อวันเท่านั้นเราก็จะเห็นคุณค่าทันทีโดยเทียบว่าสมมุติเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าประมาณ 3,500 บาทเราจำเป็นจะต้องใช้ไปวันละบาทวันละบาทซึ่งการใช้เงินไปเนี่ยไม่มีทางที่จะหามาเพิ่มเติมสำรองไว้ใช้มันมีแต่จะหมดไปหมดไปตามลำดับเราจะเห็นได้ว่าแม้เงินพันกว่าบาทเนี่ยแล้วเราใช้ทุกวันทุกวันไม่มีทางหามาได้เลยเนี่ย มันต้องหมดลงวันใดวันหนึ่งด้วยเวลาอันรวดเร็วแน่นอนชีวิตของเราก็อย่างนั้นวันเวลาล่วงเลยไปเนี่ยมันมีคุณค่าเลอเกินและถ้าหากว่าเรามาเทียบถึงการเวลาแล้วทุกคนมีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยน้อยมากยิ่งถ้าหากว่าเราคิดจะทำงานอย่างไรอย่างหนึ่งแล้วเราจะเห็นว่า ง, งานกับการเวลาเนี่ยมันห่างไกลกันเลอเกินงานมันมาก เวลาน้อยฉะนั้นเราจะใช้เวลาไปทำประโยชน์คือสร้างงานอันใหญ่โตให้สาเร็จเนี่ยยากอย่างยิ่งนั้นการที่เราไม่ปล่อยให้ชีวิตล่วงเลยไปด้วยความเพลิดเพลินเนี่ยโดยใช้เวลาที่ล่วงเลยไปนี่ให้เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหรือศึกษาธรรมรือการทำประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของท่านแล้วเราจะเห็นได้ว่าเราทำประโยชน์กันได้ไม่เท่าไร เพราะว่าแต่ละคนเกิดมาเนี่ยท่านทั้งหลายลองคิดดูว่ากว่าเราจะทําอะไรได้เนี่ยเราต้องใช้เวลาสร้างร่างกายให้แข็งแรงจเจริญเติบใหญ่เนี่ยตั้งสิบกว่าปีกว่าเด็กทารกจะโตมาสิบกว่าปีเนี่ยเสียเวลาไปแล้วสิบกว่าปีโดยทําอะไรไม่ได้เท่าไหร่พอโตใหญ่แล้วกว่าเราจะทําอะไรได้เนี่ยอีกไม่กี่ปีมันก็จะแก่แล้วพอแก่แล้วทําอะไรไม่ไหวหมดพ้นทางอีกแล้วพอแก่แล้วผลสุดท้ายก็ตาย ยังช่วงเวลาทํางานเนี่ยก็คือระหว่างความเจริญเติบโตไปสู่ความแก่เนี่ยเป็นระยะของการทํางานถ้าในช่วงชีวิตนี้เราไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วชีวิตของคนคนนั้นจะเกิดมาในโลกเนี่ยเสียเปล่าจะทําอะไรไม่ได้เพราะในบ้านปลายของชีวิตในยามแก่เท่านั้นเราจะทําอะไรไหวร่างกายก็จะสู้ไม่ไหวจิตใจก็จะสู้ไม่ไหวสติปัญญาต่างๆที่จะสร้างสรรค์งานนั้น ก็จะทําไม่สําเร็จฉะนั้นจึงต้องใช้ช่วงระยะเวลาของความเจริญเติบโตเนี่ยมาเป็นเวลาของการทํางานแล้วก็จะทํากันได้ไม่เท่าไรพอสังขารแก่ลงเราก็ต้องพักผ่อนแล้วนอนรอคอยวันตายต่อไปว่าเมื่อไรจะแตกดับเท่านั้นเองชีวิตของคนที่บาดไปสู่ความแก่ก็อยู่อย่างเนี้ยอยู่ในฐานะอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เราใช้ความเพลิดเพลิน ในทางที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและความเพลิดเพลินเช่นนั้นแหละที่จะทําทให้ชีวิตของคนนี้เกิดความประมาทมัวเมาเราจะขจัดความเพลิดเพลินเช่นนี้ได้อย่างไรเพราะสิ่งที่ทําให้มนุษย์เพลิดเพลินนั้นสิ่งนั้นจะต้องเป็นเบญจาการ ม, มาคุลจึงจะเพลินถ้าไม่ใช่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ไม่เพลินแม้เราจะไปเพลินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามมันก็จะต้องประกอบด้วยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ฉะนั้นเราจะปลดเปลื่องความเพลิดเพลินกันนี้ได้อย่างไรการจะปลดเปลื่องความเพลิดเพลินได้นั้นต้องอาศัยการเจริญนิพพิทานุปัสตนานิพพิทาเนี่ยแปลว่าความเบื่อหน่ายเราจะต้องพิจารณาให้เห็นและเกิดความเบื่อหน่ายไม่เกิดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นและความเบื่อหน่ายในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้เนี่ยก็ต้องอาศัยการปฏิบัติให้ถึงขั้นถ้าปฏิบัติไม่ถึงขั้นแล้วก็ไม่เบื่อหน่าย มีสาธุชนหลายท่านโดยการชอบเล่นไพ่ให้เกิดความเพลิดเพลินแม้มาเจริญกรรมาฐานแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเลิกเล่นไพ่ได้เมื่อสติปัญญาไม่เกิดก็กลับไปเล่นไพ่ต่อไปตามเดิมเว้นไว้แต่บางท่านที่ปฏิบัติถึงขั้นแล้วเกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายต่อการเล่นอย่างนี้เบื่อหน่ายต่อการใช้เวลาไม่มีประโยชน์เบื่อหน่ายในสังขารหรือในชีวิตอย่างนี้เราจึงจะ ปลดเปลื่องความเพลิดเพลินในสิ่งทงหลายเหล่านั้นได้ฉะนั้นจึงต้องพยายามเจริญนิพพานุปัสนานเนี่ยให้ปรากฏพ อ, อนิพิทาปรากฏแล้วเราก็ขจัดความเพลินต่างๆที่จะทําให้เราประมาทเนี่ยได้ในการเจริญนิพพาเนี่ยความเบื่อหน่ายจะเกิดขึ้นได้อย่างไรความเบื่อหน่ายจะเกิดได้ก็แต่เมื่อเราเห็นโทษตราบใดถ้ายังไม่ได้เห็นโทษสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราจะไม่เบื่อหน่ายในสิ่งนั้น เนี่ยเราจะเบื่อหน่ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ต่อเมื่อเราเห็นโทษในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราจึงจะเบื่อหน่ายทุกอย่างถ้ายังไม่เห็นโทษแล้วเราจะถอนความเพลิดเพลินในสิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้เลยฉะนั้นจึงมีหลักปฏิบัติว่าเราจะต้องพยายามให้เห็นโทษในสิ่งนั้นเสียก่อนเราจึงจะเกิดความเบื่อหน่ายได้ไม่ว่าท่านจะเพลินในอะไรก็ตามขอให้ท่านเห็นโทษในสิ่งนั้น ถ้าเราจะเพลินในการเล่นการพนันก็ต้องเห็นโทษของการพนันโดยพิจารณาให้เห็นโทษว่าการที่เรามาเพลิดเพลินในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นอกจากการเวลาล่วงเลยไปซึ่งการเวลาเช่นนี้มัน ก, ก็กัดกินชีวิตของเราเนี่ยให้สั้นลงสั้นลงทุกวันแล้วการเพลิดเพลินในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ยังเป็นบอกเกิดของความทุกข์หลายอย่างในสังขารก็เป็นทุกข์ การนั่งมากเพลิดเลินในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มากอาจจะเป็นอมภาษอาจจะเป็นเน็บชาอาจจะเป็นอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างเนี่ยได้นอกจากนั้นเมื่อตายไปแล้วเราอาจจะต้องตกนรกก็ได้เพราะว่าในชีวิตของเรานี้ไม่ได้ทำกุศลเลยมาหมกมุ่นอยู่กับการพนันอาจจะต้องตกนรกก็ได้เมื่อเราพิจารณาเห็นโทษอย่างนี้เราก็ถอนถอนความเพลิในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้เช่นกัน แม้แต่เบญจการมคุณนั้นถ้ายังไม่เห็นโทษในเบญจการมคุณแล้วก็ถอนไม่ได้ต้องพิจารณาให้เห็นโทษว่าเกิดโทษอย่างไรบ้างแล้วจึงจะถอนความเสืิอในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้พอเห็นโทษก็เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายก็เกิดความคลายไม่เกิดความยึดถือทำให้เรารู้จักพอนออกแล้วก็ทาให้เรารู้จัก ขจัดความเพลิเพลินในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้เนี่ยวิธีที่เราจะขจัดความเพลินก็ต้องอาศัยการเจริญนิพพิทานุปศาสนาจนกระทั่งนิพพิทายานเกิดนั่นแหละเราจึงจะถอนความเพลิดเพลินในสังขารเช่นนี้ทะนี้นิพพิทายานนั้นก็เป็นเรื่องที่เบิ่งกับดาบสองคมเพราะถ้าพิจนารณาผิดก็เกิดโทษเหมือนกัน ดางครั้งหนึ่งที่สมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้เทศนาโปรโดพระสงฆ์สาวกได้พูดถึงเรื่องของความเป็นปฏิกูลของสังขารพระสงค์ท่านพิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นของปฏิกูลจนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารเนี่ยอย่างเต็มที่แต่ความเบื่อหน่ายเช่นนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อยานปัญญาไม่ใช่ไปสู่ความบุดพลเมื่อเกิดความเบือเบ่อหน่ายก็เกิดความรังเกียจเบื่อหน่ายในสังขารเลอะเกิน แต่ว่าไม่มีทางที่จะหนีต่อสังขารเช่นนี้ได้อย่างไรผลสุดท้ายพระเหล่านั้นก็หาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายบางองค์ก็อมีโกนเชือดคอตัวเองบ้างบางองค์ที่ทำไม่ได้ก็ไปว่านจ้างพวกเดร์ถีให้ช่วยฆ่าบ้างโดยเอาบริขารที่มีอยู่เนี่ยไปจ้างเดรถถ์ถีขอให้ช่วยฆ่าให้ทีเถอะเบื่อเหลือเกินแล้วสังขารเนี่ยชีวิตนี้เบื่อจริงๆิเดร ถ, ถีก็รับจ้างฆ่า ซึ่งสมัยนั้นพระพุทธองค์เข้าสู่นิโรธสมาบัติเพราะอาจารนิโรธสมาบัติที่ไหนได้พระหายไปตั้งแยะถามว่าทําไมพระน้อยปรากฏว่าพระฆ่าตัวตายซะตั้งแยะเพราะว่าเมื่อพระพุทธองค์เทศนาให้เห็นความเป็นปฏิกูลของเบญจขันธ์แต่พระเหล่านั้นไม่ได้อย่างยานปัญญาพิจนารณาอย่างถูกต้องเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารขึ้นมาก็เลยหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายดังที่ บางท่านหาทางออกด้วยวิธีการอย่างนี้เพราะเบื่อหน่ายในชีวิตเข้าก็หาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายซึ่งอันนี้ไม่ใช่วิธีการทางพระพุทธศาสนาการพิจารณาเห็นความเบื่อหน่ายในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จุดมุ่งหมายเพื่อที่จะถอนความเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นอปุศลที่จะทําทให้ตนนี้ตั้งอยู่ในความประมาทเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะถอนความเพลิดเพลินได้นี้จะต้องอาศัย การพิจารณาโทษในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาเสียก่อนและก็หาทางออกออส่วนการที่เราจะถอนออความกำหนัดนั้นเราจะถอนได้อย่างไรการถอนความกำหนัดนี้ท่านสอนให้เราถอนด้วยการเจริญวิราคาภาวนาหรือวิราคานุปัสสนาก็ได้จึงจะถอนได้ เมื่อเจริญวิราคารุปสนาจนถึงขั้นแล้วเราก็ถอนความกำหนัดในอารมณ์ต่างๆทั้งที่เราพอใจทั้งที่เราไม่พอใจถอนได้เราสามารถที่จะถอนจิตให้หลุดพ้นไปจากอำนาจแห่งสมุทไทยคือเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงได้ด้วย นิโรธาหรือนิโรธาวิปัสนาคือสามารถดับสมุทัยได้ด้วยอํานาจของนิโรธนิโรธในที่นี้ก็คือพระนิพพานนั่นเองเราสามารถที่จะปลดเปลื่องจิตที่เกิดความยึดมั่นในสังขารทั้งหลายได้ด้วยอํานาจของปฏินิสักานุปัสนาจิตที่ยึดมั่น หรือยึดแน่นอยู่ใน อ, อารมณ์ต่างๆที่เป็นอุปาทานอคตินั้นเราสามารถถอนได้ด้วยอํานาจแห่งปฏินิสขานุปัสนาเพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญวิปัสสนาก็ดีหรือเจริญสมถาก็ดีจุดมุ่งหมายของการเจริญนั้นก็คือการปลดเปลื้องให้จิตเนี่ยหลุดพ้นไปจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ส่วนความทุกข์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นประจําสังขาร น, นั้นเราปลดเปลื้อง อย่างไรมันก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นไปได้ก็มีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นอย่างความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันมีอยู่ประจำสังขารของเราทุกคนแล้วก็ติดมาตั้งแต่เกิดแล้วเราเกิดมาเราก็หอบเอาทุกข์เหล่านี้ติดตัวเรามาด้วยเราจะสลัดความแก่ให้พ้นไปจากชีวิตนี้ก็ไม่ได้เราจะสลัดความตายให้พ้นไปจากชีวิตของเรานี้ก็ไม่ได้ทุกคนก็จะต้องประสบกับปัญหาเช่นนี้ เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยจะต้องอพบอยู่เสมอเราสลัดไม่ได้อันนี้เป็นของธรรมดาแล้วว่าเราจะต้องพบความแก่ก็ต้องพบความตายก็ต้องพบแต่ทางหนึ่งที่เราจะสลัดให้หลุดพ้นไปได้ก็คือเครื่องพันธนาการทางจิตมีอยู่ทางจิตใจเท่านั้นแหละที่เราสามารถจะสลัดให้หลุดพ้นไปได้เช่นจิตที่ถูกนิวรธรรมหประการนีครอบงำอยู่เราก็ปลดเปรื่องได้ด้วยอานาจแห่งฌาน ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเราก็สามารถปลดเปลื้องได้ตลอดจนความยึดมั่นถือมั่นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงก็สามารถที่เราจะถอนได้ด้วยการเจริญอนิจจานุปัสสนาความยึดมั่นสังขารว่าเป็นสุขก็ถอนได้โดยการเจริญทุกขานุปัสสนาความยึดมั่นว่าสังขารทั้งหลายเหล่านี้เป็นอัตตาตัวตนเราก็สามารถที่จะถอนความยึดมั่นได้ด้วยอํานาจของอนัตตานุปัสสนาหรือความ เราสามารถเทียถอนความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินต่างๆได้ก็ต้องอาศัยนิพพานุปัสสนาเราสามารถถอนความกำหนัดยินดีต่ออารมณ์ต่างๆได้ด้วยอํานาจของวิดาขานุปัสสนาเราสามารถถอนสมุทัยคือตัณหาต่างๆสามารถดับตัณหาต่างๆได้ด้วยอํานาจของนิโรฐานุปัสสนาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นผลทาง ที่เราสามารถจะปลดเคลื้องจิตเนี่ยให้พ้นไปจากเครื่องพัฒ น, นาการต่างๆเช่นนี้ได้ด้วยการปฏิบัติธรรมแต่ว่าเครื่องพัฒ น, นาการทางกายหรือสมบัติที่ติดกายระมาเนี่ยเราทำลายไม่ได้มันมาอย่างไรมันก็จะต้องเป็นไปอย่างนั้นมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่เราพอจะปฏิบัติได้ก็คือทางจิตถ้าทำทางจิตนี้ไม่ได้แล้วก็ไม่มีทางที่จะทาได้ โดยเหตุนี้ท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติธรรมแม้การเจริญอาณาปานสติกรรมฐานนี้อยู่ก็พึงตั้งจิตไว้ว่าเราปฏิบัติเพื่อความมุ่งหมายอย่างนี้เพื่อปลดเปลื้องจิตที่ถูกร้อยรัดจากกิเลส ข, ขั้นหยาบไปสู่ขั้นกลางแล้วก็ไปถึงขั้นละเอียดเนี่ยตามลําดับเนี่ยเป็นวิธีอันหนึ่งที่นำมาอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ เข้าใจเพื่อที่การปฏิบัตินั้นจะเกิดผลยิ่งขึ้นเพราะเชื่อแน่ว่าการปฏิบัติที่ไม่ถูกหลักเกณฑ์แล้วก็ไม่ประกอบด้วยเหตุผลเพียงพอนั้นจะเป็นการปฏิบัติที่เริ่มต้นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าเมื่อปฏิบัติแล้วเราก็ยังไม่บรรลุถึงจุดหมายเมื่อไม่บรรลุถึงจุดหมายเราก็ต้องมีการเริ่มต้นกันอยู่ บ, บ่อยๆการเริ่มต้นอยู่ บ, บ่อยๆนี่ก็เป็นการเสียเวลามาก หมสุดท้ายเราก็ปฏิบัติได้ไม่มากชีวิตก็จะถึงซึ่งการแตกดับไปเสียก่อนถ้าชีวิตแตกดับจากโลกนี้ไปแล้วก็เป็นอันว่าหมดโอกาสอีกที่ท่านทั้งหลายจะบงเพ็ญทมหมดโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะสร้างบา ร, รมีต่างๆเพราะว่าภูมิอื่นไม่มีมีแต่เฉพาะโลกมนุษย์นี้เท่านั้นที่เป็นโอกาสดีที่เราจะทําอะไรๆ ไ, ได้หลายๆอย่างก่อนที่เราจะตายถ้าตายแล้วหมดโอกาส ไม่ว่าจะทําอะไรไม่มีโอกาสได้ทําทั้งนั้นฉะนั้นในชั่วชีวิตที่ยังมีอยู่เนี่ยควรจะใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้าท่านทั้งหลายยังไม่ตายในปีหน้าก็ขอให้ใช้ปีหน้านี้ให้เป็นประโยชน์สําหรับท่านต่อไปถ้าจะตายซะก่อนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็หลีกเลี่ยงกันไม่พ้นแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้ใช้ชีวิตในปีใหม่นี้ให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน ในวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของปี2513อาตมาจึงขอมอบธรรมะเหล่านี้เป็นสคสอแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกๆคนและก็ขอขอบใจที่หลายๆท่านได้อำนวยอวยพรส่งสคสอมาให้อาตมาซึ่งจะส่งตอบทุกคนไม่ทั่วถึงก็ขอให้ธรรมะเนี่ยเป็นธรรมะบรรณาการแก่ท่านเพื่อเป็นแนวทางของการปฏิบัติตการบรรยายวิสุทธิมรรคในวันนี้ก็ขอยุติลงในที่นี้ ออท่านสาธผู้ชนทั้งหลายวันนี้การบรรยายพระวิสุทธิมัสก็เป็นอาทิตย์แรกของปี2514แต่การบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอนุสติในข้อาอนาปานสตินั้นยังเกี่ยวพันติดต่อข้ามปีมายังไม่จบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ การปฏิบัติในขึ้นในข้อที่เราจะยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาในข้อสันลักคนาให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจไปแล้วเพราะว่าการเจริญอนาปานสติกรรมฐานนี้ท่านมีหลักปฏิบัติอยู่ถึงแปดขั้นด้วยกันขั้นแรกที่สุดนั้นก็คือขั้นคนานา หมายถึงการปฏิบัติด้วยเริ่มต้นจากการนับนับลมหายใจออกลมหายใจเข้าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบอันนี้เป็นขั้นขณานาพอถึงขั้นที่สองก็คืออนุพันธนาหมายถึงขั้นของการกำหนดให้รู้ถึงต้นลมกลางลมและก็ปลายลมขั้นที่สามนั้นเรียกว่าขั้นพุทธนา ขั้นนี้เป็นการกําหนดถึงฐานที่ลมมากระทบเช่นลมหายใจออกกระทบกระพุ้งจมูกหรือกระทบที่ริมจีปากด้านบนเราก็กําหนดในฐานที่ลมกระทบอันนี้เรียกว่าผุดสนาเมื่อปฏิบัติถึงขั้นผุดสนาจิตเกิดสมาธิจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิด้วยการได้ปฏิภาคณิมิตแล้ว ขั้นนั้นเป็นขั้นที่เรียกว่าถัปนาคือขั้นหยุดอยู่หมายถึงขั้นที่เราได้อัปปนาสมาธิพอถึงขั้นที่ห้าก็เป็นขั้นสันลักคนาขั้นนี้เป็นขั้นพิจารณารูปนามเป็นอารมณ์เพื่อที่จะได้ขจัดกิเลสต่างๆอันมีความโลภความโกรธความหลงสามลี้เป็นต้นถึงขั้นที่หกก็คือวิวัตนาขั้นวิวัตนานี้เป็นขั้นมรรคผล ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและถึงขั้นปาริสุดที่ก็คือขั้นที่เราได้รับจากผลแห่งการปฏิบัติและขั้นที่8คือเตสัญจะปฏิปัสสนาขั้นนี้หมายถึงขั้นสุดท้าย